ใช่พูดใช่พูดใช่เออไม่ใช่อาหารอกใช่อาหารอกหลวงปู่ครับโยมนี่หูก็ไม่ค่อยดีอยากให้หลวงปู่เปล่าให้หน่อยฮะโอ้หลวงปู่ก็หูหนวงเหมือนกันสมองห้วงโกเผื่อไปสว่างที่ใจบ้างหลวงปู่ืะไปนี่ เดิมก็ได้นดีอ่เงเป็นอะที่ะไพากลับด้วยแล้วนนี้มาไหมไม่ได้ฮะบ้า่อานก็ได้นะโมตสะวตตาตสมาสุัะโมตสะวตตมาสุัะ นโมทัสสะภควาโตระโทสมาสมุทัสสะยะเคอสุสังโคชานาตุอย่างปัตมภูเทสะป้าภูนาธิอาวาเสาภาอัมหกลงป้าปูนันติเ ต, ตสั้งผิกูนางสมเนรานางกาท่านางยถาทุ ข, ขังปริพุนันุ ยะถาวาเดวะฮาปุระอภิเรโเรนเทสาสลังเอเมวโตตินังเปานังอุปตะติดิขิตังวจิตังตุมหังคิพเมวัสมิชะตูสะเพภูเรนดูสังสปารจันโทปนารโสยะถามณีโชตินังโสยถาสตีเตโย ดังแห้งเบอมันเขาเทปไปซื้อผมัดเขาเทปนี่บอกเอาไวนี้นะเนาะไว้ซ้ำนี่เนาะไว้ซ้ำนี่เนาะมันสีมันวก่ฮะบอกมันลวกนะเาะโอ้อันนี้มัเทปกัน ไม่รู้ว่าจะเทศวิธีไหนทีนี้เพราะทำนาเมืองมีหลายท่านหลายคนใครก็ประสงค์ต่างกันทีนี้หรือจะให้ถามออกให้เอ่ยขึ้นมาออกให้มีสิทธทิ์ทุกๆท่านใครจะเอย่ยหรือไม่ต้องการเอย่ยหรือจะให้ทำนาเมืองหวานเลยหรือจะทำนาสวน หรือจะให้เอ่ยมาแต่ละแต่ละคนถ้าใครมีสิ่งที่คัดข้องถ้าไม่มีคัดข้องแเราก็พูดกันธรรมธรรมดาแล้วก็เอาใ้รคัดข้อบ้าก็ปลาลบมาเนื่องเทศจะเทศให้ครบแ0 0หมืนี่พระธรรมขันถ้าถ้าอยาก้าจะเทศให้ครบมันก็ไม่ยากเรื่อนลงมาหาใจ แปดหมืนสีพระธรร ม, มขันธ์ลงมาหาใจลงมาเป็นเอกานิบาตทำบุญแล้วก็ไปอยู่ที่ใจทำบาปแล้วก็ไปอยู่ที่ใจไม่บอกให้อยู่ก็อยู่มันได้ต้อนขา้าคอกยากวังโคและกระบือ้อไม่ได้ไล่หึงห้าเข้ามาหาใจเลยเพราะใจเป็นผู้รู้จักใครก็ไม่รู้จักเท่าใจททำอะไรก็ทำให้ไก ทำบาปก็ทำให้ใจเพราะใจเป็นผู้พาธทมตายวางกาไม่รู้จักอินูอีนอะไรเขาพาทรมันก็ต้องทำแต่ผลได้ายรับ ก, ก, ก, ก็ขึ้นอยู่กับใจถ้าใจพอบุญแล้วสร้างบุญพอแล้วใจเขาเข้าสู่คนิพพานไปสักบาปก็ละไปในตัวถ้ามีแต่บาปมากก็ลงสู่มหาวิจีนณะรกคือรกอยู่ที่ใจ คำว่านิพพานก็คือรับเพลินในวัฏฏะสงสารพอเห็นไยในวัฏฏะสงสารอย่างเต็มที่ก็รับเพลินในวัฏฏะสงสารอย่างเต็มที่การท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารนับแต่ภพมรรคลงมาก็เรียกว่าทัศนาจรทั้งนั้นทัศนาจรพระหาเก่ฮัเก็บหาตตายหาโลภหาตโกรฮัต ห, หลง ราะที่ข้ามทะเลหลงไปมีมากมายเป็นกายเป็นกราจะลองกับประมาณก็ไม่มีประมาณอีกด้วยผู้ที่ยังเหลืออยู่ในวัฏสงสารก็ไม่มีประมาณอีกด้วยเหตุฉะนั้นจึงมีพระพุทธเจ้าตั้งรันานตั้งนันรานมาเป็นยุกๆมาเป็นยุกยุก็ตามถึงอย่างนั้นตั้งก็ตั้งนันรานตั้งก็โกตั้งอาสองไถยอสองไถยพระองค์อีกด้วย ตั้งอาสองไขอาสองไข่ไขกลับอีกด้วยนะเวลาดีเวลาของผู้ถือพระพุทธศาสนาเป็นเวลาที่มีคุณค่าการนึกคิดของผู้ถือพระพุทธศาสนามันก็นึกคิดไปทางบุญเป็นส่วนมากไม่เหมือนผู้ไม่ถือพระพุทธศาสนาผู้มีวัฒนามากจึงได้มาถือพระพุทธศาสนาเขารบรับถือพระพุทธศาสนาตามสติกาลังของตน จิตใจก็สูงขึ้นสูงขึ้นถ้าตรงงานข้ามแล้ว ก, ก็นับวันจะต่ําลงนี่เป็นธรรมมาธิปไตยไม่ใช่อัตาตาธิปไตยพูดต่อข้างตัวผู้ถือพุทธศาสนานับวันจิตจะสูงขึ้นนับวันจะถึงพระสสดา์วันสกทาคามีนาคามีอหรหันต์เป็นลําดับไปไม่ต่ำต้อยลง แต่ก็เสียงบุญเสี่ยงกรรมอยู่ว่าถ้าถึงสุปฏิปันโนแล้วก็ก้าวหน้าไปเลยถ้ายังไม่ถึงสุปฏิปันโนแล้วพอชักชจะวนอยู่ว่าชักชักจะสงสัยอยู่ว่าถ้าถึงสุปฏิปันโนแล้วไม่สงสัยเดินตรงไปเลยสุปฏิปันโนเวนอบายยมุกทุกประเภทมีชิ้นห้าบริบูรณ์ด้วยเน้นอวัยยมุกทุกประเภทอีกด้วย อย่าว่าสูปฏิปันโนนับทั้งเพศฆราวาส ด, ด้วยนับั้งเพศพระพุทธสัมมาเรด้วยมีปัญหาสอบเข้ามาว่าพระพุทธสัมมาเรก็สินสองรอยี่สิบเจ็ดสัมมาเรนดก็ศินสิบตัวถ้าอย่างนั้นก็เป็นสูปฏิปันโนทั้งหมดสิยิงอยู่ถ้าปฏิบัติไม่ให้ด่างให้พร้อยถ้ามันด่างมันพร้อยมันก็ไม่เป็น สินสุปฏิปนโนไม่ได้ด่างไม่พ่อยเลยศินห้าพระศินสองร้อยยี่สิบ็ก็จริงแต่เมื่อมันด่างมันพ่อยมันก็ยังไม่ถึงสุปฏิปนโนสินห้าเป็นศินของพระสสดาบันศินแปดไม่ได่ดางไม่พ่อยเป็นศินของพระสักคาคามีศินสิบเป็นศินของสามเณนสามารถถึงพระลหัสมได้สามเณ น, นก็ดี พระสวัสดิบาลก็ดีสินห้าก็สามารถถึงพระหลานได้เหมือนกันศินสองอ ย, ย, กกยี่สิบเกดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศินของพระหลานไม่ต้องมีการแสดงอาบัตในเวลาลงโมโือโสดห้งพันเตไม่แนว่าห้างพันเ ต, มนเตสมองหลาก็ดีหรือปลาจติยายโยก็ดีไม่แนว่าเพราะท่านไม่มีอาบัต เพระเป็นพระรหันต์แล้วพวกที่เป็นพระรหันต์สิ้นไม่ในด่ดางไม่พร้อยเพราะารเมือง ต, ตกพยาบาทที่ตกหิงสาวี่ตกก็ไม่มีในท่านโรคกดหลงก็ไม่มีในท่านไม่ก็ไม่มีอันใดที่จะร่วงละเมิดในขั้งพุทธการปฏิบัติเกียก่อนจึงปริยัต กัตถิวัตกับปติเวสเสียก่อนจึงปริยัติภายหลังพระพุทธก็ต่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นเทศเพียงขาขาเดียวว่าสเนพรพลหันปราราชิตียังไม่มีทั้งขาที่เศษสิบสามก็ไม่มีอันนี้ยอดสองก็ไม่มีนิตคีปายตีสามสิบปายตีาสิบสองปายาตียี่สิบสี่เสียชีวัตยี่สิบห้าไม่มี ที่กระนาสมถะเกตก็ไม่มีเพราะยังไม่มีใครล่วงละเมิดพอฟังเทศแล้วปฏิบัติก็ำํำเนียบทหารไปเสียยังไม่มีใครเป็นปาราชีสคาทิเศษอันใดหรือปาราจิตีทุกกฎอะไรเลยจะพวกนั้นบานลมีแก่ตาท่านอยู่มาต่อมาภายหลังคนออกบวชมากก็เลยได้ตั้งบัญญัติทีนี้เพราะมีผู้ทำผิดมาก เหตุฉะนั้นจึงว่าปฏิบัติก่อนแล้วได้รับผลของปฏิบัติแล้วจึงปริยัติภายหลังจึงตั้งสิขาบทภายหลังพราะผู้ทําผิดภายหลังมีเพวกโกนธั ญ, ญวัปปะพัทธิยะมหานามะอาต ช, ชิชิขวามปฏิกดีืิมระสุภาหุปุณาชิก ด, หกดีหรือ ภาพิกษุสองหมื่นที่ไปบินทบาทในกรุงราชจะคือกดีหรือในกรุงกบิณฑพก็ดีหรืออุลุเวละกัจปะก็ดีนาทีกัจปะก็ดีขยากัชปะก็ดีพวกนี้มีบริวารตั้งพันคนเป็นพันสามคนก็ยังไม่ได้ตั้งปา ร, ราชิกสี่ทังคาทิศเสด็จสาม เพราะพ่อพัา น, นสำเร็จพระอหันไปก่อนอแล้วแล้วข่ายกับดอกบัวมันเป็นตูมอยู่แล้วพอได้รับรัศมีของแสงพระอาทิตย์บนธัญะวัปปะพัธิยะก็ดีมันก็าบานในระหว่างเจ็ดวันก็มีในระหว่างสุบห้าวันก็มีรมพระโมกคลา สิบห้าวันเก็ดวันสำเร็จพระรหาสพระทาลีบุตรกึ่งเดือนพระพาหิยะเป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักวาเห็นเออพอแล้วครับสำเร็จพระรหาสแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะแต่ชาติก่อนองค์ท่านได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ข้างพระเจ้า กัตริยได้ฌานบริบูรณ์แล้วไปเกิดในพม่าโลกเหลือนอกนั้นถ้าสู่พระนิพพานก็มีมีห้าองค์ด้วยกันหรือสี่องค์แล้วก็จําไว้แน่มีห้าองค์ด้วยกันส่วนท่านยังเหลืออยู่เมื่อา น, นิสงส์ฌานก็ไปเกิดพม่าโลกหมดอา น, นิสงส์ฌานแล้วก็ลงมาลงมาเกิดในศาสนาพระรพธรราพระพุทธเจ้าของเราบาดคาถาเดียวก็สําเร็จพระหรหัสเหตุทีนั่นการปฏิบัติ พระเรามศาสดาจึงยืนยันไว้ว่าถ้าไม่สําเร็จพระรหัส์ในเมื่อเวลามีชีวิตยอยู่ก็จะสําเร็จจวนจะสิ้นชีวิตถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็จะถึงพระอนาคามีถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นนิสัยพระพจิจถ้ามาอย่างนั้นแล้ว พระพุทธเจ้าองค์หน้าก็สองสามบาทขาถขาเขาสำเร็จพระหลานการปฏิบัติไม่เสียเลยไม่ได้น้อยก็ได้มากบางท่านพูดว่าปฏิบัติไปทำไมพระหันหมดแล้วเราดียังไงจึงเราจรึงจะรู้พระหัน ถ้าเราอยากจะเป็นพระอรหันต์เราก็ต้องเป็นพระอรหันต์เสียก่อนถ้าเราอยากเห็นพระอรหันต์เราจึงจะเห็นพระอรหันต์เราอยากเห็นเกลือว่าเค็มหรือไม่เค็มก็ต้องคิดดูเสียก่อนถ้าเราเห็นอยากพระอนาคามีเราอยากเห็นพระอนาคามีเราก็ต้องเป็นพระอนาคามีเสียก่อนถ้าเราอยากเห็นพระสัคขาคามีเราก็ต้องเป็นพระสัคขาคามีเสียก่อนถ้าเราอยากเห็นพระเสดดาบันเราก็ต้องเห็นพระเสดดาบันเสียก่อน แล้วต้องเป็นพระเถระดาบันเสี้ยคอเราจะไปยืนยันว่ารับตาพูดว่าพระรหันต์มันไม่มีพระเถรดาบันไม่มีพระคาคามีไม่มีพระอนาคามีไม่มีอย่างนั้นก็เป็นการกล่าวตู่พระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาเขาบอกว่ า, าศาสนาในใดในใโลกธาตุก็ตาม จะมีพระสวดาบรรก็มีแต่ศาสนาพุทธทิ้งเดียวเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีเพราะศาสนาอื่นนั้นเขาหนักไปในทางโลกียวิสัยหนักไปในทางวัตถุนิยมทางวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังทางวัตถุนิยมที่ได้มาในทางที่ชอบเราก็ถือว่าเป็นเสบียงปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏจัรทั้งสาม เพียงเท่านั้นพราะว่าราไมศาสานาแต่ศาสนาอื่นๆของเขาหัวหน้าศาสนาอื่นๆของเขาเขาก็เป็นมนุษย์ผู้ทุชนคนหนาเราดีๆนี่เองหาได้เป็นพระสวสดาบาลไม่เป็นพระสักคาคามีไม่เป็นพระอนาคามีไม่เป็นพระอรหันไม่แต่พระสสดาบันก็ไม่เจอเสียแล้ว ก็ไม่ต้องกล่าวไปหาถึงสักคาคาเมนาคามีน า, าคาลันชาในมหาปรนินธานสูตรยืนยันแล้วพูดกับสุพัททะที่บวชต่อแก่นถ้าพระม่ประมาทในยัญญะวิธีท่านเหล่านั้นจะพ้นจากชาติชร า, าเมรณนะเป็นสุภิจพโนโชวยยายาสามีบ้างหรือไม่พระเจ้าค่าะเพราะว่าเรามศาสตราบอว่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลย ภูคาแล้วในใจโลกาาธาตศาสนาอื่นๆไม่มีสุปฏิปันโนไม่มีอุชุไม่มียายะไม่มีซามีดอกเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดตามธรรมมาธิปไตยอันเป็นจริงเราไม่พูดตามโลคาธิปไตยเกร ง, งให้เกรงว่าจะผิดใจคนเราพูดตามธรรมมาธิปไตยจะผิดใจท่านผูน้ใดก็ตามถูกทำแล้วเป็นพอพอบรมศาสาพูดถ้ามีก็มีในศาสนาพุทธถ้าไม่มีก็ไม่มีในศาสนาพุทธ ศาสตราอื่นไม่มีเราเข้าสู่คณิพานไปแล้วก็ตามทำคําสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสตราของเธอทั้งหลายเราจะยังอยู่สักเพียงใดก็ตามถ้าเธอทั้งหลายไม่ปฏิบัติจะมาเกาะชายจีวรของเราอยู่เธอทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเห็นธรรมได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดประพฤติธรรมผู้นั้นประพฤติเราผู้ใดประพฤติเราผู้นั้นประพฤติธรรม ผู้ใดเคารพทำผู้นั้นก็เคารพเราพระบรมสารีราสอนย้อนลงมาอย่างนี้ถึงเราจะมีอายุยืนอยู่อีกกี่กัปกี่กันก็ตามถ้าท่านทั้งหลายไม่ปฏิบัติเราก็ทำต่างท่านทั้งหลายไม่ได้เราเป็นเพียงชี่บทําของเรานะทุกทุกพระองค์เป็นทําอันใหม่อยู่เสมอพระบรมสารีาพูดอย่างน้น ที่กรรมฐานอันใดที่เราเคยภาวนาเราก็เน้นกรรมฐานอันนั้นลงจริงที่ไม่รู้หากจะรู้เองแต่กรรมฐานในทางพระพุทธศาสนานี่นะลมให้แกจเข้าออกเป็นกรรมฐานที่ยึดเหนียวอารมณ์ไว้ได้ไม่เหมือนอันอื่นกรรมฐานอันอื่นมักจะเป็นว่าเชือกขาดมักจะหายไป ไม่ค่อยก็เห็นผู้นิสัยตกหรือตกกระจริดชอบนึกชอบคิดชอบสังเนียบก็ต้องถูกกับลมให้ยใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานอันละเอียดมากแก่เกิดแกเก็บตายมีพ่ออมทุกลมให้ยใจเข้าออกอันนี้จังมีพ่ออมทุกลมให้ยใจเข้าออกทุกก็มีพร้อมทุกลมหายใจเขาออ้า สิงที่ไม่ใช่สามไม่ใช่บุคคลเป็นกระแสก็ลมลมก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกเป็นกรสักไว้ใจใจก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกใจที่ว่างก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกใจที่ไม่ว่างก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกบางท่านพูดมากง่ายว่าจงทําให้จิตว่างคาว่าจิตว่างมันมีหลายชั้นว่างในชั้นพระโสดาบันว่างในชั้นพระสกทาคามีว่างในชั้นพระอนาครมว่างในชั้นพระหลานเป็นจิตที่ว่างบริบูรณ์แล้ว พระพารลหันเขียนว่ามันมีโรคโผล่หลงไม่มีเรามีเขาไม่มีสัตร์ไม่มีบุ nein. คคลใดๆทั้งสิ้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยพระพารลหันไม่ติดอยู่ในอัตตาไม่ได้ติดอยู่ในอนัตตาด้วยไม่ได้ติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยเพราะท่านพ้นไปแล้วไม่ติดอยู่ในเห็นด้วยไม่ติดอยู่ในรู้ด้วยไม่ติดอยู่ในพูดด้วยไม่ติดอยู่ในเทศด้วยไม่ไม่ติดอยู่ในแม่เทศด้วย ไม่ติดอยู่ในไม่รู้ด้วยไม่ติดอยู่ในฟังด้วยไม่ติดอยู่ในใจไม่ฟังด้วยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารเกิดดับเป็นท่านรู้เท่าทันเทียมถึงยถาภูตังสัมปปัญญาทัสสะพังท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงท่านก็รู้ตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเมื่อในลำบากท่านผู้พ้นไปแล้วแต่พวกเรามันลำบากเพราะยังไม่รู้ตามเป็นจริงพอเมื่อท่านผู้ใดรู้ตามเป็นจริงพอแล้วผู้นั้นก็ไม่ลำบาก เสียงเป็นแตสักว่าเสียงหูเป็นแต่สักว่าหูใจเป็นแต่สักว่าใจนึกคิดเป็นแตสักว่านึกคิดเพราะไม่มีโทษมันเป็นเรื่องของสังขารนลล้วนจิตล่างจากสัตจากบุคคลในชั้นต้นเป็นจิตพุทธวิบากันชั้นกลางสักคาถาหนีชั้นท้ายเป็นพระาราห์ ทำทั้งหลายที่เราแสดงให้แก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่ทำเป็นของใหม่เป็นของเก่าตรงนั้นแต่เป็นโวหารอันใหม่เฉยๆพระบรมสารีร đ ạ แสดงให้พระกรพระขอยงกรองคขอฟังเป็นธรรมคนละอันหรืออ้าที่แท้เป็นธรรมอันที่เอากันแต่มีนโยบายพูดหลายอย่างเฉยๆเช่ชนพูดเรื่องขันห้าก็พูดเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิยนให ญ, ญ่ ลูกก็คือดินน้าฝ่ายลมประชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเกิดขึ้น แ, แล้วแต่ปรวแล้วแต่สายเวทนาก็คือสัญญาทั้งขาทัญญา้ยาเกิดขึ้นแล้วก็แปลปรวแล้วแต่สายเช่นเทศทรรมจากรปรวัตินาสูตรก็ยกชาติพิทุกขาก็เรียกรูปขันอยู่ตะกงแล้วชาติพิทุกขาชาลาพิทุกขามณ้ำพิทุกขังก็เป็นรูปขันอยู่แล้วเพราะมีเกิดแก่เก็บตายอยู่ในนั้นด้วยมีดินหน้าฝ่าลมอยู่ที่นั้นด้วย ประเทศอันเก่าไม่ใช่ประเทศอันใหนม่เพราะว่ากุเวเดเทวทุกโทนั้นอุปายาความภาพแค้นใจกติปัตย์นาไม่ได้สมหวังก็ดีอันนี้ธาตุเทเสในเรื่องด้านกิเลส น, นามขันที่มีกิเลสสิงอธิตะปริยายาโสตประเทศเรื่องลูกขันกัมนามขันนั่นเองตาหูจมูกกลิ้นกายเป็นลูกขันใจเป็นนา ม, มขัน ถาใครไปกำหนดตาหูจมูกเลี้ยงกายก็เกิดเป็นไฟราคะโทสะโมหะเขึ้นจึงเรียกว่าราคะินาโทสะทินาโมหะทินามานัตสมิงิงคือนิพินนติมีน้ำซ้ำท่านก็ไม่ยืนยันว่าใจเป็นท่านท่านเป็นใจนายจนถึงใจด้วยใจก็ว่าใจไม่มีใครเป็นยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจก็เป็นของว่าก็าไม่มีพิษทําชาติสูง ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกในวัฏจักรงสารปัญหาไม่มากพ่อไม่ได้หอบวัตจักรงสารไปด้วยไปพระนิพลเอาสติปัญญาไปแห่งเดียวไม่ได้หอบสิ่งหอบของไปด้วยไม่ได้หอบดินน้ำไฟลมไปด้วยไม่ได้หอบอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยอนิจจังทุกขังอนาัตตก็พิจารณาเพื่อให้เป็นความเบื่อหน่ายเฉยเพื่อให้เบื่อหน่ายเพื่อให้ใครายเมาทิ้งไว้ในวัตจักรงสาร ให้ข้ามทะเลหลงของตนต่างๆเพราะตนมาหลงอนิจจังมาหลงของไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงมาหลงของเป็นทุกข์มาเป็นของสุขมาหลงของมันไม่ใช่ตัวใช่ตัวมาเป็นของตัวของตนมาหลงสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่ามันสวยมันงามคือนังหุ่มอยู่โดยรอบแล้วก็พิจารณาแก้ไขเพื่อให้ข้ามทะเลหลงอันนี้เมื่อข้ามทะเลหลงอันนี้ไปแล้วใครดึงขาวไวเขาไม่ฟังมันก็เข้าสู่พระนิพพานไปเสีย โลกทั้งหลายลวนลงมาเป็นอันเดียวรายรับก็คือผลเป็นทุกข์นับจากพมโลกลงมาสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงยัดเยียกเยียดอยู่ในไตโลกธาตุที่เป็นของทิพยก็ดีที่เป็นพมโลกก็ดีเป็นรูปพระรมก็ดีเป็นอารมประพรมก็ดีตลอดถึงมหาเวทีนรกสะพัไตโลกธาตุก็ว่าสะพัสังขารก็ว่าสะพัทุกข์ก็ว่าสะพัธาตุก็ว่าสะพัดธรรมก็ว่า แต่เป็นฝ่ายสังขารดําเป็นฝ่ายสังขารธาตุเกิดขึ้นแล้แปลปรน่าแจกสายทางนั้นผู้ใดพิจารณาเกิดขึ้นแล้วแปลปร น, ลน่าแจกสายผู้นั้นพิจารณาโรคทั้งปวงแล้วผู้นั้นพิจารณาธรรมทั้งปวงอี ก, กด้วยผู้นั้นได้จะได้วิชาเบื่อหน่ายครายเมาในวัฏสงสารเชืแล้วผู้นั้นถือกุญแกเพื่อเปิดประตูพระนิพพานเชืแล้วผู้นั้นมีสติด้วยผู้นั้นมีสมาธิด้วยผู้นั้นมีปัญญายด้วย สมดุลกันอยู่ในคณะเดียวจะว่าสมาธิอบรมปัญญาก็ถูกจะว่าปัญญาอบรมสมาธิก็ถูกจะว่าสิ่งทั้งสมสิ้นสมาธิปัญญากลมกลืนกันเป็นเชือกสามเกลียวเป็นกองทับรรมก็ถูกจะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในที่นั่นก็ถูกจะว่าพระพุทธศาสนารวมลงในที่นั่นก็ถูกพระพุทธศาสนาสุดท้ายก็ไปรวมกันอยู่ที่พระนิพพาน พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไปรวมกันอยู่ที่พระนิพพานพระธรรมทั้งหลายก็ไปรวมกันอยู่ที่พระนิพพานพรันิยสงศ์ทั้งหลายก็ไปรวมกันอยู่ที่พระนิพพานที่อนุภาทิเศษสารนิพพานไปรวมกันอยู่ที่นั้นคําว่าพุทโธกิณกความกว้างเหมือนกันอย่างถึงพระนิพพานเหมือนกันคําว่าธรรมก็เหมือนกันคําว่าสังโฆเหมือนกันคําว่านโมก็เหมือนกันนโมอย่างถึงพระนิพพานก็ได้น้อมๆจนถึงพระนิพพานน้อมๆจนไม่มีเกเร ถ้ า, าพุดทางความือนกันสร้างคาถามีใ่ใจสนาคมเมื่อจิตใจถึงพระพ涅槃แล้วก็ใจสนาคมก็ไปจบอยู่ที่นั้นเมื่อยังไม่ถึงยังเป็นใจสนาคมเบื้องต้นน้โมเบื้องต้นใจสนาคมเบื้องต้นพุทธทางเบื้องต้นอรหังเบื้องต้นเป็นผู้ละกิเลสเป็นต้นตอนไปขอนับแต่พระโสดาบันอรหังสมมาสัมพุโตอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส สมาสมุทโธเป็นผู้ตัดสู่เองโดยชอบคือพระบรมศาจจารวิชาจจนะสัมปโนนผู้ประกอบด้วยวิชาและเจรณะเครื่องประพุทธเพื่ อ, อ, พ เ, พอเพื่อวิชาสุขโตเป็นผู้ไปดีแล้วสู่ที่อันดีคือพระเนรพาโล ก, ก็วิธูลูกแจ้งเครงโลกลูกอนิจจังทุกขังอนาัตตาเขาเรียกว่ารููแจ้งเค่งโลกเหมือนกันเพราะโลกทำได้ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตา พระคาร์เป็นผู้ำกำเนิดทำมีทานวัตศีลวัตภาวนาวัตเป็นต้นสวรรคตัวพระวตาธโมพระธรรมเปนผู้มีพระภาคเจ้าเก่าอยู่แล้วนับแต่สุบิยปนโนเป็นต้นไปฉันทิตโกพระโสดาบันย่อมเห็นเองโอปนยโกพระโสดาบันยอน่อมน้อมเข้ามาสู่ใจปัจจตังเวทิตโบโยหิติวิณูชนผู้ใดถึงพระโสดาบันแล้วจะกเห็นเอง ถ้าต่ำกว่านั้นลงมาเอาเป็นประมาณไม่ได้เอาเป็นเกณฑ์ได้ขึ้นสู่โลกุตละก็คือพระสวสดาบันเมื่อถึงพระสวสดาบัลแล้วพระอรหันต์พระสัคธาคารพระอนาคามีพระสัาคาคันก็มาอยู่ในอุ่งมือ อุ้งมือของคิดของใจอุ้งสติอุ้งปัญญาถ้ามาอย่างนั้นแล้วกวาตถนาบารมียังต่ําอยู่ว่าเมื่อรู้ว่าวาสนาบารมีนนั้ยังต่ําอยู่ผู้ที่จะจะทําให้สูงก็เป็นตัวเราไม่ใช่คนอื่นผู้ที่จะให้ทําให้ต่ําก็คือตัวเราตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจทําเป็นที่พึ่งของธรรมปัจจุบันเป็นทพึ่งพึ่งของปัจจุบันอดีตล่วงไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึง ธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นธรรมที่มีค่าชินสมาธิปัญญารวมลงอยู่ที่ปัจจุบันพรอมบครองหาใจเข้าออกก็ได้พรอมทั้งพิจารณาทุกครันน้งอนิจจานัตตก็ได้พรอบกับคําบริกรรมพุทโธก็ได้ทำ ท, ทุกข้อทุกวัทุกบาทเป็นธรรมชั้นสูงมดบางท่านบอกว่าภาวนาอันนั้นจิดต่ําภาวนาอันนี้จิดสูงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็น ถ, ถ้าคิดเราของเราสูงมันก็สูงหมดเพราะเราโอนขึ้นไปแล้วเขารับธรรมเราก็โอนขึ้นไปสูงมันมันขึ้นอยู่กับความรับของเราขึ้นอยู่กับความแยกพลายของเราถ้าคิดของเราต่ําเราจะพูดนิพพานนิพพานนิพพานสักเพียงไหนมันก็ไม่เป็นพระนิพพานเราจะพูดอรหันต์อรหันต์สักเพียงไหนมันก็ไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าคิดของเราต่ํำเราจะพูดโสดาบันโสดาบันขนาดไหนก็ตามมันก็มีแต่คําพูดถ้าคิดเราของเราต่ํา ถ้ายึดของเราสูงมาสูงเกินไปทำบทเดียวกันบางท่านถึงพระสวสดาบาลบางท่านถึงสักรตาคา ม, บาาออาคามีบางท่านถึงพระอนาคามีบางท่านถึงพระรหัสก็เพราะเหตุว่ายึดอย่างลงใส่ธรรมะมันผิดกันตามวาสนาบาลีของท่านแต่ละท่านละบผผู้สนใจในธรรมชนะความสนใจทั้งปว ผู้สนใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ชนะความสนใจทางปู่ผู้ยินดีในศาสนาผูธชนะความยินดีในศาสนาทางปู่ผู้ที่ตอบพระพุทธธรรมพระสงฆ์แระลึกได้ระ่ึกได้ก็ดีอยู่ทุกเมื่อเลือกทุกหยดจะบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อชีวิตทุกชีวิตก็ตามและลึกได้ไม่ได้ก็ดีจะบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อผู้ใดและลึกอย่างนี้แล้ว จิตผู้นั้นจะไม่ถอนออกจากพระพุทธธรรมประสงค์แผ่นดินหนาสองแสนสี่หมื่นโยตลูกระเบิดปรมาโูเขาทําลายแตกจิตผู้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์อธิษฐานถึงขนาดนั้นแล้วจิตเขาไม่ถอนออกจากพระพุทธธรรมประสงค์เลยไม่เลิกได้ไม่นลิกได้ก็ดีจะพอมออกตายถวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเนี่ยผูกขาดจ้องขาดอยู่ทุกวมื่อไม่มีประมาณ เลือดทุกหยดจะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หยดทุกเมื่อมันมีประมาณสัพพทุกทั้งปวงก็ดีสัพพสุขทั้งปวงก็ดีอะไรอะไรทั้งปวงในใจโลกธาตุจะอุทิศกวนละกายวาจายใจเพทั้งใจโลกธาตุบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หยดทุกเมื่อให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเที่ยวรถเหยียบย่ำถล่มน้าลาคายนโมกใส่อยู่ทุกเมื่อมีความายเพื่ อ, อ, อ, อ, จจอ พ, พ้พยย น, น ท, ทุกในวัฏฏ์ตาทั้งสามโดยด่วนในปัจจุบัน น, น, น, นิตปัจจุบันธรรมนี้เถิดผู้ใดน่ลึกถึงอย่างนั้น ผู้นั่นสร้างมารคีแก่กล้ามาแล้วนู้ผู้นั้นจะไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อีกและจะไม่สงสัยในข้อวัดปฏิบัติของตนอีกจะปฏิบัติสบายจะเดินทางสบายจะไม่งอแงคอนแคนด้วยจะไม่กาตถูต้นด้วยกาวถูพระพุทธศาสนาก็คือก่าวถูต้นด้วยสงสัยพระพุทธศาสนาก็คือสงสัยต้นด้วยก็คือสงสัยใจด้วย ถ้าไม่สงสัยพุทธศาสนาก็ไม่สงใจใสใจในตอนนั้นนั่นเราปฏิบัติอยู่ทุกวันไม่ใช่คิดใจของเราจะอยู่ระดับเดิมมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นฝ น, นตกพรำๆรอยู่ทุกวันไม่ใช่แผ่นดินจะอยู่เสมอเก่ามันก็ชุ่มขึ้นชุ่มขึ้นแต่ถ้าไม่น้าด้วยนะ หาความสุขในโลกทั้งปวงมันหาไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปักพระรหัตทั้งหลายหาไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปักแต่พวกเราต้องการจะหาอยู่ให้มันเจอมันเจอมันพบมันปักสุขของพระรหัตก็มีอยู่สี่อย่างสู้เกิดแต่ความมีทรัพย์สู้เกิดแต่ก่ายทรัพย์บริโภคสู้เกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินกับท่านผู้ใดสุ้เกิด แต่การทําการงานที่ปาฏิจจคติโทษทุกข์ของขันธ์ก็มีเพียงเท่านั้นถึงอย่างนั้นจะอยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นได้แปลผลและแตกสลายทุขในทางพระพุทธศาสนาสุขถึงพระโสดาบันทุกขถึงพระสกทาคามีสุขถึงพระอนาคามีสุขถึงพระรหันต์เป็นทุขอย่างเต็มที่เป็นทุกขก้าวหน้าอันนั้น เป็นทุกข์ไม่มีทุกข์มาเกือปวนเหมือนพระจันทร์ในวัน ข, ขึ้นไปจนถึงวันเพลนแต่แม่กลับมาแรมอีกเหมอเือนเดือนเดือนกลับมาแรมอีกกลับมาอีกเดือนออเออเียวเ ผู้ยังมาทานทานอาหารก็มีแล้วเนี่ยเขยนใจทันมากผู้พูดเป็นกพพูดเพราะชั้นเมื่อเดียวที่นี่นังซื้อเขาออย่างไรมไาเลยเนาะย่างไรนหก่อนเ อ, ไนอาไมาแกใครพูดว่าท่านใด ไ, ไว้ ไปเอามาปถ้าเป็นของกลางเมื่อไห่บอเอามานัา่คุณกวีดได้สักเล่มแหรือยังประวัติของ น, นะะ้วงปู่ได้แล้วหรือยังเคยไปเอาที่มมาเล่นะครับโอ้เคยเคเคยได้แล้วได้แล้วอ่านแล้วอ่านคือจบหลวงปู่อ่านจบแล้วย ง, น, น, น, น, งนีไม่จบดีหลวงปู่ใชได้ไปเมื่อเมื่อไม่กี่วัน ตมมองงตนนี้มูนิิองหูมากเขาไปแจกแจกโยมเารับไตามวัดตามเขาแจกง่าิมากเาส่งมาให้ไม่ทราบเหมือนกันไอ้ต้งหูแต่ว่าก็มีมีจ ขาพิมพ์ห้าพัน ม, มันพิมพ์สองข้างแล้ว 5, เล่มเหลืองคุณได้เล่มเหลืองใช่มเล่มเหลืองเล่มอ่อนเล่แกะ ม, มีท้ายหนังสืออยู่หน้าเดียวที่เขียนใช่อยู่ที่ท้ายเล่มเป็นลายมือเขียนไห เห็นไหมเห็นเห็นอยู่หน้าเดียวใช่ไหมหน้าเดียวนันเป็นทีมฉบับก่อนเพิ่มขึ้นอีก2หน้า3หน้ า, าสุดท้ายแห่งการสุนทนาธรรมะ พอสมควรด้วยเดชคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระอริยาสงฆ์ทั้งหลายซึ่งหาประมาณไม่ได้ขอให้ไต่โลกระธาทุกชนหน้าจงมีความสุขความเจริญในบราวรพระพุทธศาสนาของพระสมมาสระพุทธเจ้าท้องยืนเดินนั่งนอนรับตื่นตาข้าเข้าสู่พระนครทุกชนนานั่นเถิดี ทีนี่คอยเอาหนังสือเสียก่อนท่องร่องจอกจอกแล้วหรือยังอะยังมาท่องร่องจอกจอกหรือไปนี่ก็ต้องเป็นจริงธรรมะอันลึกซึ้งแล้วบ้านของพวกเรายังไม่มีน้เหมือนว่าชั่วคราวแต่ไม่ชั่วคราวจะได้ท่องเที่ยวอยู่นาน ถ้าว่าเรายังไม่ถึงพระนิพพานถ้าเราถึงพระนิพพานก็จะไปพบบ้านแล้วทีนี้แต่ว่าพระนิพพานมานในบัญญัติว่เาเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นที่แน่นอนเป็นที่ไม่ได้ไปทางไหนจะไปทางอื่นอีกก็ไม่มีที่ไปจะกลับก็ไม่มีที่กลับก็เรียกว่าถึงบ้านแล้วเหลือนี่เรายังไม่มีบ้านในมนุษย์โลกเทวโลกร ม, มโลกสัสโลกอะไรต่ออะไร พวกเราที่เอาเกิดแก่เก็บตายมาหลายชาติหลายภพแล้วอะไรต่ออะไรสาราพัดวัดเวี่ยงจนนับไปไว้ใช้แล้วที่เราอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ที่ใหม่เป็นที่เก่าของพวกเราทั้งหลายที่เคยท่องเที่ยวมาในวัดตาสงสารไม่กลับหนึ่งก็ต้องกลับหนึ่งไม่กันหนึ่งก็ต้องกันหนึ่งไม่ชาติหนึ่งก็ต้องชาติหนึ่งไม่มีเลยเพราะบรมศาสด า, ร, ารับรองแล้วพวกท่านทั้งหลายอย่าไปถือเป็นของเล็กน้อยเนอะ น้ำตาของพวกท่านทั้งหลายเก็บไว้ชาติหนึ่งหยดเดียวเท่านั้นชั่วกลับหนึ่งก็ใหญ่กว่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรเสียไรฮนั่นะเพียงกลับเดียวกระดูกของพวกเธอทั้งหลายจะเก็บไว้ชาติและเท่าหัวมมือใ น, นระหว่างกลับหนึ่ง ไม่ให้อันตราทานหายไปแต่ละคนละคนก็มากกว่าแผ่นดินหรือภูเขาหิมาลัยเชียแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าในใจโลกธาตุเนี่ยเป็นของใหม่เนอะเป็นของเก่าทุกวกเคอทั้งหลายมาทิ้งร่างไม่นั่นเองหน้าเที่ยวเคยเกลียเก็บตายนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้นิชาใดๆที่เราสั่งสอนกกอทุกขเคยทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงพิจารณาเป็นธรรมชั่งเวทเป็นทรรเบื่อหน่ายเป็นทรรเคล็ดลาบในวัตทฏสงสารเสียเนอ้นเอพระบรมส า, ารีร้างผู้ใดเคล็ดลาบในวัฏสงสารผู้นั้นสร้างบา ร, รมีแก่ก้ามาแล้วเนอ้อผู้ใดเพลินในวัตฏสงสารอยู่ยังไม่เค็ดมันยังไม่หลาบก็เรียกว่าบา ร, รมียังอ่อนอยู่รีบสร้างเสียเนอ้อเมื่อรู้จักบันฑอ่อนพญาตรูปรถานา ย, ายมีภัยเต็มวัตทฏสงสารอยู่นี่ ใครเกิดใครแก่ใครเจ็บใครตายน้ําห้องอยู่โดยรอบมีคุณเป็นมหันตมีโทษเป็นอ น, นันต์จิตใจก็มีคุณเป็นมหันตมีโทษเป็นอนันต์ถ้าทําถูกก็เป็นทางไปสู่สวรรค์นิพพานถ้าทําผิดก็ไปทางลงนรกไม่มีใครจะมาแย่งมันไปจิตใจมันไปเองมันตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ได้มาแย่งนะนั่นเป็นผู้ขับมันเป็นผู้วางแผนผู้วางแผนคนเดียวเท่านั้น ผู้จะเบื่อหน่ายคลายหลวงในวัทสงสารก็คือจิตใจที่มีสติปัญญารู้ตัวรู้ตนรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตนรู้ความหลงของตนรู้เท่าความหลงของตนจึงจะเข้าความหลงของตนเข้าสู่พระนิพพานไปได้พระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาปลดอาวุธ อาวุ่าสัตว์รักษาราวุธพิเศษแมามดื่ดมสุราเมื่อไรให้ปลดอาวุธงั้นเสียงแล้วอาวุธสินได้อาวุธสินทำแทนเขาอีกแล้วอยากจะเห็นอะไรมันก็ไม่เห็นในโลกอันนี้แค่แค่กัปตันที่อยู่ในน้ํามันก็เห็นแต่น้านั่นเองมันไม่เห็นอันอื่นมันไม่เหมือมนเต่าเต่ามันขึ้นบวกก็ได้ลงน้ําก็เป็นมันก็เห็นหลายอย่างเต่าเปรือบเหมือนเปรือบเหมือน สรารหันหรือพระสุปฏิปันโนอุชุยยะสามีจิตท่านเห็นหนทางไปแล้วพวกเราก็ต้องการเห็นหนทางไปเหมือนกันกำลังเดินอยู่แนีวนี่พวกเราเดินอยู่ในสนามเกิดสนามเกศสนามเก็บสนามตายสนามโลกสนามโกดสนามหลงเมื่อพ้นจากิกเลทั้งพวงแล้วก็พ่นละสนามเหล่านี้ ทะเลเก่ทะเลเก็บทะเลตายทะเลโลกทะเลกวดทะเลหลงบ้านเกิดบ้านแก่บ้านเก็บบ้านตายบ้านโลกบ้านกวดบ้านหลงอยู่ในประเทศอันสมควรมัจะรู้ประเทศสวากษะพระสวสดาบาลอยู่ในประเทศอันสมควรพระศักดิคามีอยู่ในประเทศอันสมควรพราะอนาคามีก็อยู่ในประเทศอันสมควรคือประเทศดีประเทศใหญ่ของท่านมันมีกิเลตน้อย พระหันท์ไม่มีเกลรลยข้ามประเทศไปแล้วก็สู่คนที่ผ่านไปเจ้าที่เรียกว่าไปพบบ้านก็ว่าไปพบเมืองก็ว่าเมืองไม่เกิดไม่เก่ไม่เกบไม่ตายบ้านไม่เกิดไม่เก๋ไม่เก๋ไม่ตายแต่ไม่เทียบเหมือนบ้านเราเพราะมันไม่ใช่รูปขันงามขันเรียกได้แต่ว่าทํามันไม่ตายมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระหันท์ เมื่อท่านคนทุกข์แล้วท่านเอาจิตไปพัดใพผานเมื่อท่านตายแล้วท่านเอาจิตไปบ้างหรือไม่พระอรหันต์มีชีวิตยอยู่เมื่อตายแล้วเอาจิตไปบ้างหรือไม่เอาผู้ลูกไปบ้างหรือไม่แล้วก็ขอตอบแบบอัตโนมัติจะจริงหรือไม่จริงก็มอบไว้ให้พระธรรม มอ้อพายเป็นสิทธ์ท่านผู้จะพิจารณาเอาพระอรหันต์ไม่ได้เอาใจไปด้วยเมื่อพ้นทุกข์แม้ว่าตาสงสารแล้วเท่าใจกลายเป็นธรรมอันไม่ตายแล้วจะเอาไปทําไมถ้าเอาใจไปไปสู่อนุ ป, ปาชิเศ ส, สนิพานก็เรียกว่าอนุ ป, ปาชิเศ ส, สนิพานอย่างได้เอาใจไปแต่มนุษย์โลกก็คิดทุกข์เกินไปใจ เ, เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพานเฉย ไม่ได้เอาไปสู่พระนิพพานด้วยเน็ตเช่นั้นพระอรหันต์จึงไม่ได้ถือมันในใจใจของท่านจึงว่างจากวัตจากบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีใดใด ท, ทั้งสิ้นที่จะไปยึดถืออดีตอนาคตปัจจุบันที่เราพริจารณาปัจจุบันเป็นอารมณ์ก็เพราะเราอาศัยเรือแพในปัจจุบันเอาศีลสมาธิ ป, ปัญญาลงในปัจจุบันไม่ขีปัจจุบันอาธรรมเพื่อเป็นการต่อสู้กับความหยงของตนถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทัน รวมพลลงในที่ปัจจุบันนะจิปัจจุบันนั้เอาสติเอาปัญญารวมลงในที่นั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับเวลาเพราะอดีตจะลกจะสู้รบไม่ไหวอนาคตจะสู้รบก็ไม่ไหวเพราะมันยังไม่มาถึงเพราะมันล่วงไปแล้วข้ามเทะเลโลกก็ข้ามในปัจจุบันจะข้ามในชั้นพระสวัสดิวันก็เหมือนกันจะข้ามในชั้นพระคาาคามีก็เหมือนกันจะข้ามชั้นในชั้นอนาคามีจะข้ามในชันน้ช น, น, น, ชนพระราหานก็ข้ามในปัจจุบันนะจปัจจุบันนั้ ไม่ใช่อดีตอนาคตเพราะอาดีตเราไม่ได้ข้ามยากมันล่วงพะเองมันอานาคตมันายังไม่มาถึงตะพึ้ตะเพอประจุป น, นปรจโยธรร ม, มังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นจะไม่สงสัยว่าพุทธศาสานาผู้นั้นจะไม่กล่าวถูกว่าพุทธศาสานาด้วย ศรัทธาเชื่อลงในกรรมฐานในปัจจุบันวิทยะเพียรลงในกรรมฐานในปัจจุบันสติระลึกในกรรมฐานในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในกรรมฐานในปัจจุบันตจ้าลงพละคือทําใ็นกําลังห้าอย่างก็อยู่ที่แห่งเดียวกันนะอธิบาทคุ้เครื่องให้สําเร็จความประสงค์สอย่างขันทะ พอใจและไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียงหมายประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ยิตตะเอาใจวัดฝ่าในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูุญแล้วอาจจักนาบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ถึงเหลือวิสัยเราอยาปฏิบัติไม่ผิดที่ก็มีอยู่สามข้อเอาปัญกาปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างหนึ่งอินทรีย์ทังวทรสมรวมอินทรีหก คือระวังตาหงจะหมดกเรื่องกายใจมาให้เงินดียงินรายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นยิบลดถูกท่อมปัสสะด้วยกายด้วยมารมด้วยใจสองโพชเนมัตนุตายุตาดูจะประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยชาคณียานิโยบางท่างก็อ่านว่าเป็นโยคะโยคะมันเปนธําบาลีโยกบนสะกดขาดตัวชาคณียานิโยกประกอบความประกอบความเทียงเพื่อจะชำระใจของตนให้หมดจด ไม่เห็นแก่นอนมากนักคำว่าไม่นอนมากนักจะนอนเพียงไหนวันหนึ่งคืนหนึ่งสี่รับสีชั่วโมงพอแล้วสําหรับคนหนุ่มสําหรับคนแก่รับน้อยกว่านั้นคำว่าพอเฉเณมาตานุตารู้จากประมาณในการทีนอาหารแต่พอทุกคนไม่มากไม่น้อ ย, ยกินมากเพียงไหนกี่คําท่านก็ไม่บัญญัติไว้ท่านบัญญัติไหวแต่เพียงว่า ยังอยู่อีกสี่ห้าคำแก่อิ่มแล้วก็ให้ดื่มน้ำซะพอดีละไม่อืดอาจถ้าพูดอย่างนั้นพอบร ม, มาศาสด า, ศ า, ศ า, ศานี่เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดใครเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดเรียกว่าอัปปันนกรัปฏิปทาสูตรสูตรที่ปฏิบัติไม่ผิดมีปัญหาสอนเข้ามาว่า ขณะนี้ลา拉ระดาบทอุตรกระดามาบทรามาบทเนี่ยจึงไม่ถึงพระโสดาบันเพราะภาวนาไปจนถึงเนวััญญานาสัญญาญาตนะแล้วแล้วเขอขอตอบว่าเพราะท่านเหล่านั้นไม่ยอมตัวถึง พ, พระพุทธธรรมประสงค์ถือว่าเป็นศาสนาแข่งดีกับ พ, พระพุทธธรรมประสงค์อยู่เหตุที่ไม่ยอมตัวถึง พ, พระพุทธธรรมประสงค์นั่นเอง จึงเป็นเหตุให้ไม่ถึงพระโสดาบาันเพราะว่ารมาสตรัตตนาก่นนึกว่าเสียดายหนอตายไปแล้วเกียดวันถ้าหากว่ายังไม่ตายก็จะมาเทศท้องทรัพยคำก็จะทุงพระโสดาบาันออบายมุขุกประเภทพวกเราต้องดอู ถ้ามาหยุดเป็นเชียนน้ำต่อสุปฏิปนโนเป็นเชียนน้ำต่อธรรมะของเราเหมือยรัดก็ไม่ต้องสบายยมุกมันกินความก่าแแทงมากแทงวัวชนไก่กัดป่าอาบายยมุกทั้งนั้น นัเรียนหญิงบาบ า, แบบาบาเบเบก็อบายจะมุกเหมือนกันะมันไม่ใช่บาเรามันบ้าเอาโตโอัวบแต่ะอาใส่ไม่โทรซะ <c oughs> อันนั้นก็อาบายจะมุกเหมือนกันอาบายยมุกไม่มีอะไรสุปจิปันโนสุปจิปันโนไม่ใช่ลายหยัก่วกอาบายยมุกเลยเหมือนบวชน้ำลายทิ้งไม่ใช่ลายอยักเอาคืนมา สุภาพจิตพนงช่วยยายะก็เหมือนกันสามีก็เหมือนกันไม่ใช่ได้อยากพวกละมิดทาชัดสูงไปอีกพอเห็นโทษอยากเจ็บภูแล้วไปไปดื่มอาหารกินอาหาร ท, น า, รรทานอาหารกินได้อย่าทำใจทำลาทำภูเลยบอกแล้วนี่จับข้าหมายแล้วจะเข้าหมายแล้ว อ ย, alloy, อย่าลืมสิ่งลืมของเน้อลองเท่าเน้ออันหนึสำคัญเน้อเอาไว้เป็นที่เน้อตัะโมนะกโกตวะโมนะกโกตวะโมนกวะโนกโตวะโมนะกโก้ พ ah. yeah. <laughs> ุทโธธรรมะตะโกอืมเป็นงูเห่าแล้วปู่เอ้าพุทโธธรรมะอ้นพิษอ้นพิษใค่ลูกขลังงูเห่าพุทโธธรรมะตะโกไปชุบชุบไอ้พวกตาส่ง ผู้ทโทรสมวูลังกู อ, อธิษฐานเนี่เอา <c oughs> องลมเปล่าเลอ่ะไปแล้วอธิษฐานแล <c oughs> ้วอ่อทัวมมังกูศิศาสตร์ศยศาตสราตสรต์การเก่ากเกเป็นศิศาสตร์แต่ว่าเราลู่ตัวแล้วมันไม่เป็น <c oughs> เราลูตัวแล้วมไม่เป็นไม่เป็นศิลศาสตร์ เอาแล้ว